จริงแล้วเนี่ยไอความสงบความสุขก็ดีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ใจเร า, นะมเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไม่เป็นต้องเดินทางไกลมาถึงนี่ก็ได้นะพบได้ที่ใจของเราใจเราอยู่ไหนนะก็พบได้ตรงนั้นไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่บ้าน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 เป็นคนไม่โลภแกก็อยู่คนเดียวทีวบ้านก็หลังเล็กแกก็พอใจกับชีวิตของแกที่นั่นแต่ตอมาระยะหลังเนี่ยมันก็มีเหตุการณ <c oughs> ์แปลกๆเกิดขึ้นกับลุงหมานก็คือว่าแกจะฝันถึงสถานที่หนึ่งบ่อย สถานที่นั้นเนี่ยในฝันก็บอกด้วยนะว่าคืออยู่ที่แก่งครอชยกระพุ่มฝันที่เห็นก็คือเป็นภาพโรงเจแล้วก็มีต้นไทรอยู่ข้างหน้าก็ฝันแล้วฝนะันอยู่วันแล้ววันเล่าโดยเพราะไอต้ต้นต้นต้นไทรเนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไร ตอหลังแกก็เอจใจว่าหรือว่าเทวดาจะโดนใจว่ามีของดีรอแกอยู่นะที่ใต้ต้นไทรนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือเปล่าแกเองก็ไม่ใช่คนโลภนะแต่ว่าการที่ฟันยังนี้บ่อยๆนี่ทำให้แกเอจใจขึ้นมาแลวสุดท้ายแกก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแน่ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีเหมือนกันจะได้ไปทำบุญนะ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 ที่ผมเชื่อความฝันผมไม่ต้องลงไปถึงพัทลุงเลยเหรอเนะีย่ยอไปเชื่อมันเลยนะลุงพอลุงมาได้นี่แกก็เอดใจขึ้นมาทันทีแกก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเลยกลับไปถึงบ้านนี่สิ่งที่แกทำอย่างแรกคือขุดนะใต้เตียงแกปราก็เจอสมบัติเนะี่ยสมบัติมหาศาลเลย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 ใกล้ตัวแก่ตลอดเวลานะถ้าไม่เดินทางไปถึงนั่นก็ไม่พบก็ไม่รู้นะว่าทรัพย์สมบัติมหา ศ, าศาลนี่มันอยู่ใกล้แค่นี้เองแลนะพวกเราก็อาจจะมันก็ลุงหมานก็ได้นะคือต้องเดินทางด้านต้ น, นมาถึงนี่เพียงเพื่อจะพบว่าโอ้แท้จริงไอ้ของดีมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้แต่การมาถึงนี่ก็ทําให้เรารู้ว่า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 ไม่ใช่แต่อารมณ์เศร้าโกรธแม่แต่ความดีใจดิ้งโลด <c oughs> ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวได้นะเพราตอนนั้นเนี่ยเราอาจเราลืมกายลืมใจนะเราทําอะไรไม่รู้ตัวแล้วคนเวลาดีใจนี่บางทีเอตโทรเอตโรนะโตะ โ, โกนเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทําอะไรไปนะเคยเห็นว่าบางทีเราจะเห็นเพื่อนของเราแนละ้วก็ดีใจมาก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 เรื่องความพอดีนี่ไม่เกี่ยวกับทางสายกลางนะความพอดีพอดีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสตนะิถ้าไม่มีสตินี่ก็ไปจมอยู่กับสมาธิมากก็มีนะจนถ้าไม่อยากทำงานนะหรือว่าไม่มีสติแล้วก็ทำให้เกิดมันก็ทำให้ออแต่ทางานทำงานทำงา น, งานจนกระทั่งใจฟุง้ง บ้างงานก็มีนะพวกบ้างงานเนี่ยนอกจากจะสมาธิจะอ่อนแล้วก็เครียดแล้วดัคเครียดง่ายแล้วเนี่ยบางทีร่างกายเจ็บป่วยด้วยต้องมีสติเตือนนะอตอนนี้ได้เวลาพักแล้วตอนนี้เพลาอย่าบ้างงานมากแม้กระทั่งกุศลธรรมเนี่ยนะเช่นศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิเนี่ยก็ยังต้องอาศัยสติเนี่ ย, เ ป, ยเป็นตัวช่วยทวงเป็นตัวช่วยทาให้เกิด ความสมดุล น, นะนภาษาอะไรกับอกุศลธรรมนะที่มันเกิดขึ้นถ้าไมนเกิดขึ้นเมื่อไหร่สติก็จะช่วยนะช่วยะจะเรียกว่าอะไรขับไล่ออกไปก็ได้โกรธกลัวฟาดหัเวเบียงแต่พอมีสติขึ้นมาได้นี่มันหายไปเลยนะหลายคนเนี่ยไม่เชื่อนะไม่เชื่อ ว่ามันจะเป็นไปนได้อย่างไรนะแต่พอปฏิบัติทดลองปฏิบัติเออใช่นะแปลกเหมือนกันนะมีเมื่ออาทิตย์แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งแกเป็นศาสตราจารย์เลยนะประสบความสำเร็จมากจากการสอนหนังสือและการทำธุรกิจที่เมืองนอกและตอนหลังก็ได้รับเชิญให้มามาเป็นคณะบดีที่ม อ, อาหัดใหญ่แกก็คิดว่าอายุมากแล้วนะกลับมาเมืองไทยดีกว่ามาอยู่ใกล้ครอบครัว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 จะเครียดเพราะว่าใจเป็นนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีหรือเป็นนึกถึงงานการต่างๆมากมายที่ยังกองยังคาอยู่ทําชิ้นนี้แต่ไม่ได้ถึงอีก10ชิ้นที่รอยอยู่นี่ก็อึ้งแล้วนะหนักใจแล้วนะบางทีแค่นึกก็อารมณ์เสียแล้วมันมากมายอย่างนี้เชื่อหรือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ไอ้คําว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากงานที่กําลังทําเฉพาะหน้าที่มันยากเนี่ย แต่มันคิดไปถึงอะไรต่ออะไรที่มันกองอยู่ข้างหน้าหรือรอวันสะสางบางที่ก็เครียดกับเครียดกับหนี้สินนะเครียดกับหนี้สินนี่ใกล้สินเดือแล้วนี่จะมีเงินจ่ายไหมบางทีก็นึกถึงหนี้ที่มันเป็นล้านหลายล้านสิบล้านนะก็กุ้มใจแต่ว่าเราจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่านะทั้งที่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 พ่ายแพ้ต่อกินเลดหรือว่าโดนมันหลอกไปหม่ๆก็ให้แค่รู้กายก็พอลู่กายคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่กากําลังยกมือรู้ว่ากําลังเดินนะใหม่ๆเนี่ยเดินไปก็ตามสร้างจังหวะก็ตามไม่รู้นะหลายช่วงก็จะไม่รู้ว่ากําลังยกมือกําลังสร้างจังหวะเพราะใจมันลอยอันนี้เรียกว่าลืมกายและพอใจถูกอารมณ์ครอบงําจนทุกข์จนวิตกจน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 รู้น้อยก็หลงแต่ต่อไปการรู้ตัวก็จะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นถ้าเรารู้จักวางใจเป็นนะคืออย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยมักจะสอนนะลูกศิษย์นะว่าทำเล่นๆทาเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องทำด้วยอาการหน้าดำขําเคร่ง น, นะไม่ใช่ว่าฟุ้งไม่ได้ มันจะฟุ้งไปก็ไม่โมโ oh หตัวเองไม่หงุดหงิดตัวเองเวลาเราทําอะไรเล่นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะเวลาเตะเตะลูกโทษเนี่ยถ้าเตะเล่นๆเนี่ยมักจะเข้าเกือบร้อเปอร์ซนแต่ถ้าเตะลูกโทษเตะจริงๆนี่นะมันบางทีห้าสปอร์เซน์ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะพวกแชมป์โลกดลาราประเภทซูเปอร์สตาร์นี่เตะลูกโทษโดยเพราะน้าสําคัญสําคัญเนี่ยไม่เข้าก็เยอะนะ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 หมอนไปข้างหน้าเหลียวไปข้างหลังนะเดินหน้าถอยหลังคูยเหยียดเคลื่อนไหวนะดื่มกินอุจจระปัสวะนะพูดหรือนิ่งนะทรงอ่านะทรงจีวรหรือใส่เสื้อผ้านะหรือว่าสะพายบาตรหรือเรีย บ, บทเล็กเลนน้อยเหล่านี้เนี่ยอันนี้ท่านสอนพระนะมันใช้เป็นโอกาสในการทำความรู้สึกตัวได้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 เป็นสัญญาณเตือนว่าเราทำผิดแล้วก็พยายามปรับใจให้ดีซะป ร, ปรับใจให้หย่อนลงมาหน่อยนะก็จะดีขึ้นเอาคำนี้ก็พูดกันตอนนี้นะเอากราบพระ